บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเนื่องจากพระองค์ทรงประกอบด้วยทศพลยานคือยานอันเป็นกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิบประการ ก่อนที่จะแสดงธรรมแก่ใครก็ตามพระองค์จะทรงตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์คือธรรมะอันเป็นใหญ่เหนือจิตใจของบุคคลนั้นๆกับอธิมุดคือพื้นฐานทางอัธยาศัยของบุคคลซึ่งแตกต่างกันและความพองแพ้ว ความทราบมองแห่งบา ร, รมีธรรมทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงตรวจสอบแล้วก็จะทรงแก้ในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่การแสดงธรรมะของพระองค์จึงเป็นการแสดงไปตามอัธยาศัยอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเป็นสำคัญดังนั้นผลที่เกิดขึ้น จากการทรงแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงปรากฏออกมาในรูปที่น่าอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติตัวการสำคัญในการปฏิบัติกรรมฐานตลอดถึงการปฏิบัติในส่วนที่เป็นศีลสิกขาคือสิ่งที่เรียกว่า อินทรีย์ได้แก่ธรรมะที่เป็นใหญ่ซึ่งบุคคลได้สร้างสมอบรมกระทาให้บางเกิดขึ้นแต่ว่าก่อนที่จะเป็นใหญ่นั้นต้องอาศัยสร้างสมให้เกิดเป็นกําลังในการทำลายสิ่งที่เป็นฝ่ายตรงกันข้าม คือพวกอากุศลละธรรมให้เบาบางออกไปจากจิตใจเสียก่อนธรรมะข้อนี้องค์ธรรมนั้นเหมือนกันแต่ว่างานที่จะต้องกระทำเป็นคนละขั้นคนละตอนกันขั้นแรกเรียกว่าเป็นธรรมที่มีกำลังนั้นก็หมายถึงว่า การสร้างกุศลและธรรมเหล่านั้นให้บังเกิดขึ้นจนมีกำลังเหนืออำนาจอากุศลที่ตรงกันข้ามกับตนธรรมะที่เป็นกำลังซึ่งบุคคลจะต้องสร้างขึ้นประการแรกก็คือศรัทธาความเชื่อเรื่องของศรัทธาถือว่าเปรียบประดุจประตูที่จะนำคนไปสู่ ผลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงธรรมะที่พระองค์จะสรู้แก่โลกก็ได้รับสั่งว่าประตูอมตะเราได้เปิดแล้วแก่ท่านทั้งหลายบุคคลทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาเถิดดังนี้ซึ่งหมายความว่า การยอมรับนับถือจนถึงประพฤติปฏิบัติและได้รับผลธรรมะในทางศาสนานั้นเรื่องของศรัทธาเป็นปัจจัยที่สำคัญมากถ้าหากว่าขาดเสียซึ่งศรัทธาแล้วการก้าวไปแห่งจิตเพื่อสู่ความสะอาดความส ง, งบความสว่างนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ เรื่องศรัทธาจึงจำเป็นจะต้องใช้ตั้งแต่การปฏิบัติเบื้องต้นไปจนถึงการปฏิบัติในขั้นที่สูงสุดคือมากโลนิพัน์ดังนั้นจึงมีพระพุทธพาสิทธิ์ที่ทรงปรารภแสดงเรื่องศรัทธาไว้เป็นอันมากเช่นว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สมเร็จ ศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคนศรัทธาเป็นตัวรวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงคือกุศลเป็นต้นจนถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลจะข้ามโอคะอันได้แก่ห่วงน้ำคือกิเลสได้ก็ด้วยศรัทธาดังนี้ลักษณะของศรัทธานั้น ท่านจำแนกไว้หลายลักษณะด้วยกันประการแรกท่านเรียกว่าระษาทัศัทธาคือความเชื่อที่สร้างความผ่องใสให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจที่เราพูดกันว่าความเชื่อความเลื่อมใสได้แก่ความเชื่อความเลื่อมใสาตามปกติของบุคคลทั่วไปที่เชื่อในการจัดสรุ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันได้นามว่าตถาคตโพธิสัต t คือเชื่อพระปัญญาเครื่องศัสรูของพระพุทธเจ้าศรัทธาอีกประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องค่อยๆเกิดขึ้นจนอย่างลงมั่นคงในวัตถุคือพระรัตนไตรยัยที่ตนได้ประกาศ เป็นรณะที่พึ่งทีระลึกสถาประเภทนี้เรียกว่าโอกับปณ ะ, ะสถาคือความเชื่อความเลื่อมใสที่อย่างลงไปในวัตถุที่ตนนับถือนั้นนั้นสถาประการต่อไปนั้นคือความเชื่อความเลื่อมใสต่อประธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากตนได้ศึกษาได้คร้ครวญได้พินิจพิจารณาดูแล้ว เมื่อบุคคลอาศัยศรัทธาสามระดับนี้ถือว่าเป็นปัจจัยในเบื้องตน้นต่อแต่นั้นความเชื่อของบุคคลจะยังลงในกฎแห่งกรรมยอมรับถึงความมีอยู่ของกรรมที่บุคคลกระทําลงไปทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจด้วยเจตนา และยอมรับถึงความมีอยู่แห่งผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่เรียกว่าวิปากษัตราคือเชื่อว่าผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทาของบุคคลนั้ น, น, นเป็นสาคัญถ้าหากว่าบุคคลไม่กระทำแล้วผลจะเกิดขึ้นไม่ได้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 เป็นอันมากซึ่งไม่อาจที่จะตรึกนึกเอาตามอาการที่ปรากฏได้บุคคลจําเป็นจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติจึงจะได้สัมผัสผลตามที่ทรงแสดงเอาไว้ศรัทธาจะเกิดขึ้นในระดับนี้ได้ก็ต้องอาศัยการประจักษ์แจ้งแก่ใจของตนเอง หลังจากการประพฤติปฏิบัติดังนั้นเรื่องบางเรื่องธรรมะบางข้อบุคคลจึงจำเป็นจะต้องอิงอาศัยตถาคตโพธิสัตาคือเชื่อในการศัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาไว้ถึงแม้ว่าตนจะตรึกนึกเอาไม่ได้ใช้ปัญญาใครครวญพินิษพิจารณา ยังไม่เห็นประจักษ์ชัดก็ต้องตั้งฐานไว้ที่จิตของตนว่าเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดสุเราไม่ได้สดสุเช่นเดียวกับพระองค์จึงให้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่ทรงแสดงไว้เสียก่อนต่อแต่นั้นศรัทธาชนิดที่เรียกว่าปัจจักสัทธา คือความเชื่อความเลื่อมใสที่ประจักษ์แจ้งแก่ตนเองเพราะได้ปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงมาแล้วก็จะบังเกิดขึ้นและเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติไปโดยอาศัยศรัทธาเป็นภาณะเช่นนี้ต่อแต่นั้นความเชื่อความเลื่อมใสก็จะเล่นไปโดยลําดับโดยอาศัยการประพฤติปฏิบัติ ที่ผ่านขั้นตอนมาจนเกิดเป็นวิปัสนาญาณคือความรู้ความเห็นอย่างแจม่มแจ้งซึ่งแน่นอนว่าผลเหล่านี้เป็นเรื่องที่ค่อยๆเกิดขึ้นตามเหตุที่บุคคลได้ประกอบกระทำลงไปเรื่องของสถัทานั้นบุคคลจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นและให้มีกาลัง เหนือสิ่งที่เรียกว่าอสัตยยะคือความไม่เชื่อจนถึงกับสามารถทำลายสิ่งที่เรียกว่ากามมชันทะคือความรักใคร่ความพอใจความกำหนัดความยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโภตภะที่ใจไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจได้ ธรรที่บุคคลจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นมีกำลังแก่กล้าประการต่อไปนั้นได้แก่วิริยะพละกำลังคือความเพียรคำว่าวิริยะนั้นในที่บางแห่งแปลว่าความกล้าหาญพระบุมีพระภาคเจ้าทรงอุปมาวิริยะคือความเพียรไ้ว่าเปรียบเหมือนกับผานไถ คือเวลาชาวนาเขาไถนานั้นตัวผานเป็นตัวทําลายเป็นตัวขุดเป็นตัวแหวกดินออกไปสิ่งอะไรก็ตามที่ขวางอยู่ผานจะเป็นผู้ทําลายสิ่งเหล่านั้นการประพฤติปฏิบัติทางจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องประสบกับอุปสรรคเป็นอันมาก ถ้าหากว่าขาดความเพียรพยายามขาดเจตจำนงอันแนวแน่แล้วโอกาสที่จะท้อถอยเลิกละความเพียรก็มีได้ง่ายเพราะอาการไหลไปของจิตดังที่เคยได้กล่าวมาแล้วิริยะคือความเพียร น, นั้นท่านแสดงว่าบุคคลจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นมีกำลังเหนือสิ่งที่เรียกว่า โกสัจะคือความเกียดตครนันถ้าหากว่าบุคคลลองสังเกตดูแล้วจะพบว่าในขณะที่ตนจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจะมีความรู้สึกประการหนึ่งข้ามากระซิบท่านเรียกว่าชับป่าเป็นอาการของกิเลสของตัณหาของมานประการหนึ่ง การกระซิปนั้นจะออกมาในรูปของความหวังดีความปรารถนาดีหากบุคคลขาดการสังเกตพินิษพิจารณาแล้วก็จะไหลไปสู่อำนาจของสิ่งเหล่านั้นได้เช่นมีการอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างหิวอ้างกระหายอ้างเช้าอ้างสายอ้างบ่ายอ้างเย็นแล้วก็เลิกละไม่ยอมกระทําการงานไปต้นซึ่งการกระซิปในลักษณะนี้ จึงการปฏิบัติขั้นความเพียรทางจิตแล้วจะมีความรู้สึกเหล่านี้คอยกระซิบคอยตักเตือนคอยบอกกล่าวให้บุคคลท้อถอยอยู่ตลอดเวลาความเพียรจึงต้องแก่กล้าจะต้องมีกำลังเข้มแข็งคือสามารถทำลายโกสัจะความเกียดครานออกไปได้ เมื่อสามารถทำลายความเกียดคร้านออกไปได้แล้วบุคคลก็ใช้ความเพียรไปในขั้นแรกเป็นเงื่อนต่อระหว่างขั้นศีลกับขั้นของกรรมฐานคืออาณาปานสติเป็นต้นท่านเรียกว่าสังวรประธานคือเพียรระวังจิตในขณะนั้ น, น, น คือในขณะที่ตาเห็นรูปผูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิมรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือแม้แต่ใจเป็นเหนียวตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายก็พยายามอย่าให้เกิดความยินดีหรือความยินร้ายขึ้นมาในขณะนั้นๆั้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเกิดความยินดีขึ้น ก็เป็นการให้เชื้อแก่กิเลสสายโลภะถ้าเกิดความยินร้ายขึ้นก็จะเป็นการให้เชื้อแก่กิเลสสายโทสะเมื่อจิตใจได้เชื้อคือกิเลสมากขึ้นความสงบที่บุคคลปรารถนาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะเดียวกันก็ให้เพียรพยายามละสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นอกุศลอันมีอยู่ภายในใจ ให้ค่อยๆ อ, ออกไปตามกำลังความสามารถของตนที่จะกระทำได้ซึ่งแน่นอนการละบาปละอกุศลที่มีอยู่ภายในใจนั้นจะทำในเวลารวดเร็วไม่ได้แต่เมื่อบุคคลค่อยๆทำไปแล้วผลก็จะบังเกิดขึ้นคือใจจะค่อยๆ ย, ยินดีในกุศลและธรรมทั้งหลาย และค่อยๆปฏิเสธสิ่งที่เป็นอกุศลละธรรมซึ่งถ้าหากจะเปรียบแล้วจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติทางจิตนั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงครับการดำรงชีวิตของบุคคลคือในโอกาสใดที่บุคคลแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามก็รู้สึกรังเกียจขยะข ย, ยงต่อสิ่งที่สกปรกแม้เพียงเล็กน้อย ใจิตใจของบุคคลที่ได้รับการฝึกปรือมาในวิถีทางของกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นจะค่อยๆรู้สึกรังเกียจไม่ปรารถนาอากุศลและธรรมทั้งหลายแม้แต่ความคิดบางอย่างที่เกิดขึ้นก็เกิดรังเกียจต่อความคิดเหล่านั้นไม่ปรารถนาที่จะตรึกนึกไม่ปรารถนาที่จะนำมาคิด ในข้อต่อไปนั้นก็ให้เพียรพยายามสร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นการสร้างกุศลนั้นที่ทรงใช้ว่าให้เก็บให้รวบรวมกุศลคือความดีไว้ซึ่งก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่านิ่งๆจะให้จิตเต็มไปด้วยกุศลเพราะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ ทังนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องตามปกติตามธรรมดาของการทำงานทั่วๆไปซึ่งจะต้องเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆก่อนต่อแต่นั้นจุดเล็ก เ, เหล่านั้นเองก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตของบุคคลก็จะอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากรรมนิยัคือใช้งานได้ จิตที่เป็นกรรมนิยะนั้นก็เหมือนกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่บุคคลสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อทาสำเร็จแล้วก็สามารถใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ท่านก็เรียกวัตถุเหล่านั้นว่ากรรมนิยะคือควรแก่การงานจิตที่เป็นกรรมนิยะก็คือจิตที่ไม่มีบาปอากุศล กากกุมมากเกินไปและในขณะเดียวกันก็มีกุศลมากพออยู่ภายในจิตของบุคคลซึ่งอาศัยการละส่วนที่ไม่ดีและเสริมสร้างส่วนที่ดีดังที่กล่าวแล้วกุศลคือความดีที่บุคคลสร้างขึ้นนั้นก็จะต้องพยายามรักษาไว้่าให้เสื่อมไปการปฏิบัติในทางจิต เมื่อลองเปรียบเทียบดูก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับการว่ายน้าทวนกระแสขึ้นไปบุคคลที่ว่ายน้ำทวนกระแสนั้นนอกจากกำลังกายจะแข็งแรงแล้วกำลังจิตของบุคคลเหล่านั้นก็จะต้องกล้าแข็งแน่วแน่ไม่ท้อถอยไม่หวาดกลัวต่ออุปสรรคต่างๆแล้วเมื่อใช้ความเพียรพยายามว่ายไป โอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็มีได้ในข้อต่อไปนั้นได้แก่สติคือความระลึกความระลึกคือสตินั้นทรงใช้ไปในความหมายหลายอย่างคือหมายถึงว่าสามารถเหนี่ยวระลึกถึงเรื่องที่เป็นอดีตได้คือนําเอาประสบการณ์ในอดีต มาเป็นครูสอนตนได้และระลึกได้ก่อนที่จะทําก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดโดยเฉพาะในขั้นการปฏิบัติทางจิตก็คือระลึกถึงลมซึ่งตนกําหนดอยู่คือหมายความว่าระลึกอารมณ์ของกรรมฐานที่ตนใช้ปฏิบัติในขณะนั้นๆได้และระลึกได้ว่า ใจของตอนนั้นซึ่ ง, งบอยู่กับอารมณ์นั้นจริงหรือไม่แต่นั้นงานที่เกี่ยวกับสติบางทีท่านก็ใช้คำว่าสติเว้นรอบซึ่งหมายความว่ามีสติในการเดินยืนนั่งนอนก้าวไปข้างหน้าถอยกลับแลดูเหลียวดูคู่ข้าวเหยียดออกออนุ่งห่มผ้าเที่ยวไปเป็นไปเปลี่ยนแปลง รักษาบำรุงเยียวจาให้เยียวจาคือหมายความว่าจะทำอะไรก็ตามมีสติระลึกได้ระลึกทันและระลึกรู้ตามสมควรแก่กรณีด้ น, นั้นจนสติมีกําลังสามารถที่จะขจัดสิ่งที่เรียกว่ามุตดสติคือความหลงลืม ความเผลอเรอที่บังเกิดขึ้นได้สติจึงเป็นธรรมะที่จะต้องใช้ในที่ทั้งปวงเพราะสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกสติเป็นธรรมที่ปิดกั้นกระแสแห่งาบาปแห่งอกุศลไม่ให้ผ่านเข้ามาสู่จิตใจของบุคคลได้ สิ่งที่จะต้องสร้างประการต่อไปก็คือว่าสมาธิคืออาการที่จิตของบุคคลตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งตนปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นๆอารมณ์ของกรรมฐานอะไรที่บุคคลใช้ปฏิบัติอยู่ก็ตามสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิต จะอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นลักษณะของสมาธินั้นก็คือจิตสงบอยู่ในอารมณ์เช่นกำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดภาวนาวพุโทโธความสงบก็จะอยู่กับพุโทโธกับลมหายใจเข้าออกหรือกับจุดที่ลมกระทบแม่บุคคลที่ปฏิบัติกรรมาฐานข้ออื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือสงบอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อจิตเกิดสงบแล้วจะทำหน้าที่ขจัดความฟุ้งซ่านของจิตออกไปได้ความสงบของจิตบุคคลจะต้องสังเกตให้ได้ว่าอะไรเป็นตัวความสงบและอะไรเป็นความเครื่อหลับเพราะก่อนจะเกิดเป็นสมาธิ ก่อนจะเคริมหลับนั้นมีอาการที่คล้ายคลึงกันคือจิตเริ่มตัดอารมณ์ภายนอกแล้วย่างเข้าสู่ความหลับหรือความส ง, งบแต่ข้อที่แตกต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นสมาธิแล้วใจจะส ง, งบอยู่กับอารมณ์ดังที่กล่าวมาคือรู้อารมณ์อยู่ แต่ว่าตัดอารมณ์ภายนอกส ง, งบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่ตนปฏิบัติส่วนที่เป็นอาการเคริ้มหลับนั้นก็คือหลับไปเลยไม่รู้อะไรซึ่งบุคคลจะต้องแยกให้ออกเพราะมีอยู่ไม่น้อยบุคคลที่ปฏิบัติกรรมฐานไปแล้วบางคราวก็หลับไป เมื่อหลับไปแทนที่จะรู้ว่าตนหลับก็กลับปรุงคิดจนถึงก็ฝันไปแล้วเข้าใจว่านั่นเป็นผลของสมาธิแต่นั้นสมาธิจึงต้องตั้งมั่นอยู่จริงๆอยู่เฉพาะอารมณ์ของกรรมฐานที่ตนปฏิบัติสามารถกระจัดความฟุง้งซ่านแห่งจิตออกไปได้ และข้อต่อไปก็คือปัญญาพละที่บุคคลจะต้องสร้างขึ้นให้มีกำลังสามารถขจัดความหลงออกไปได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาในรูปใดก็าตามเมื่อปัญญาปรากฏอยู่ภายในจิตใจแล้วความหลงจะเกิดขึ้นครอบงมจิตใจของบุคคลในขณะนั้นๆไม่ได้ ปัญญาคือความรอบรู้หรือความรู้ทั่วได้แก่รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, นจนถึงกับความรู้แจม่มแจ้งในกองสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงแต่ว่าในชั้นนี้หมายเพียงการสร้างขึ้น คือให้มีกำลังในการขาจัดปฏิปักษ์ธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามให้ได้เสียก่อนได้แก่ศรัทธาขาจัดความไม่เชื่อความลังเลสงสัยไม่มั่นใจต่างๆออกไปจนจิตใจเกิดความพองแผ้วความพองใสปรากฏขึ้นวิริยะขจัดความเกียดคร้านที่เรียกว่า โกสัจจะหรือมหาโกสัจจะความเกียรคร้านขนาดใหญ่สติขจัดความหลงลืมความเพ้อเรอความพลังพลาดต่างๆออกไปอย่างในกรณีของการนับนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเพ้อเรอขึ้นมาก็นับพลังนับพลาดภาวนาผิดภาวนาถูกแต่ถ้าหากว่าสติมีกำลังอยู่ภายในจิตใจแล้ว อาการเหล่านั้นก็จะไม่ปรากฏส่วนที่เป็นสมาธินั้นคือทาหน้าที่ขจัดความฟุง้งซ่านแห่งจิตใจดังที่ได้กล่าบมาแล้วปัญญาขาจัดความรุ่มหลงแห่งจิตตลอดถึงการสายไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรของซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการประกอบ เราทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้ลอยๆดังนั้นจึงทรงแสดงไว้ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยการประกอบหาเกิดขึ้นด้วยการไม่ประกอบไม่เมื่อบุคคลสร้างธรรมเหล่านี้ให้มีกำลังในการทำลายปฏิปักษธรรมได้แล้วธรรมแต่ละข้อ ก็จะกลายเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเช่นศรัทธาเป็นใหญ่ในความเชื่อเป็นต้นซึ่งจะได้กล่าวในโอกาสต่อไปต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป